คนเก่งๆหลายคนพระปริญญาติวเญญโทะเพราะนั้นให้ยุติก่อนเดี๋ยวก็เจอกันหลังใหม่มให้หยุดทั้งสองคนเพลงนี้อาตมาร้องเก่งที่สุดนะจริงๆไม่ใชยกตัวยกตน การสวดนิมเป็นสำนองมัคคีมกตแล้วก็เป็นภาษาบาลีกันติทีนเดียวสวดแปลกก็มา ก, ก็สวดแปลกขมีนลาวไปกันคนละทิศคนละทางเลย เพลงไทยส่วนใหญ่ก็ใช้เดี่ยวเพลงไทยในว่าไทยเดิมแท้นี่ะอามาเคยเอื้อนนะในว่าเพลงลาวเจริญศรีมีเอื้อนเยอะการจุดมันนี่ มันมีอันนี้สองมากมายอันนี้สองการสวดมนก็คือไทยสวกก็คือจิตมันผ่องใสเป็นแดนบิมุตหลุดพ้นจากอากุศลธรรมทั้งปวงมีปิติเกิดขึ้นมาขณะสวด มีความสงบกายสงบใจเกิดขึ้นมาขณะส่วนมันทําให้เราได้เหมือนกับว่าอาบน้ําก่อนแต่งเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาเสื้อวนันนี้ทําให้เราจิตใจเกิดบุญขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมใจสบายใจเป็นปกติ สดชื่นแจ่มใสป่องใสอันนี้สมการสวดมันรูอธธนนะ้อัตถายัญชนะอัตถายอความลึกซึ้งพยัญชนะคือภาษาไทยมาจากบาลีที่สวดกันนิชบับส่วนโมกข์พารามบางทีมันก็มีเว้นวร์บางทีก็ต่อเนื่องเชื่อมโยง บางทีก็ดังๆสักหน่อยเพราะว่าฝนตกแข่งกับเสียงฝนบางทีก็เบาๆบางทีก็ไปพร้อมๆกันเพราะว่าไม่ใช่ลูกขัดจังหวะเหมือนวงดนตรีวงประสานเสียงอคอคีคีซมีตัวอะไรบ้างมันมี3ตัว ในใน note, ในโน้ตในคีย์เดียวกันคีย์ดเมเนรี่ยมันมีก็ันอยู่เราก็เทียบเสียงกันเราก็เล่นแบบแลักษณะของโทนเสียงที่มันเป็นโทนเดียวกันก็ดีเหมือนกันมันจะดูประสานเสียงมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ ไปเดียกันปรับปรับกันไปวันเวลาหลายวันหลายกลางหลายหนบางทีอาจารย์สมใจก็สวดเงี้ย อ, อาจารย์วา่าใจทนเสียงสูงอาจารย์โยกีนี่ต่ำสุดๆเบสอาจารย์โยกีเนี่ยเอาหลองสมซัติสมบูตุปการวะโอ้โเราสวดใจจัททาขาดได้ได้ อาจารย์ว่าใจอรลหังสัมมาสัมพุทธาเสียงแหลมเปับเลย <c oughs> เรามาประเภทลาวดวงเดือนโอ้พวกไปจะถึงแล้วโยมบางทีอจะมาขึ้นหลวงพ่อแซงหน้าไปแล้วอหลวงพ่อ ทันท่านบางทีเราก็ตามตามตามตามผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่หลวงพ่อนี่ถูกหมดบ่าทำอะไรไม่ผิดเราก็ยงนั่นนะผหลานผู้มีสติเต็มรอบนี่ยทำอะไรไม่ผิดนะแต่ว่าเราเป็นลักษณะไหนกันตรงนี้สำคัญเราก็ต้องสวดกันด้วยสตินะการขยับกระเยือน ปากลิน้นหูฟังเสียงบางทีวันไหนนึกอารมณ์ดีๆอยากจะทำเพราะเพราะขึ้นมาเหมือนกันนะอยากจะฟังทำวัดแบบภาคกลางมืองทีมันมีปิติมีลูกเล่นลูกคอยิ่งหายใจไม่ค่อยสะดวกนะี่ยได้เล่นลูกคอขยับเขาสองสาทีทสเส็นหลุดเลยโยม มันเป็นอย่างนั้นไม่รลดตรงไหนมันถูกตรงไหนมันปิดให้ว่าพอใครนำเราก็ตามกันแล้วกันถือว่าให้เกียรติกันแล้วก็บางทีเราก็สังเกตเหมือนกันอยู่มานานเวลาทำแล้วดังก็หืมกันทั้งมว่าโอ้มันมันมากเลยฮะยมทั้งหัวทั้งท้ายก็หืมแล่นเลยนะ ทั้งหมดเนะี่ยยิงดังไปถึงหมู่บ้านได้อยิงนะู้สุดยอดพ ร, อพร้อมๆกันนะ่ะแต่ต้องพร้อมๆกันบางทีมันกินแรงกันนะไอเราก็คือแรงจะหมดแล้วโอ้ยใจจะขาดไอขอ้างแรงเขาไม่ช่วยกันทํา ม, มาหากินเลยเบาๆมันทําวัดมันก็มากกว่ า, าวัดจริงๆนะมันหมดแรงเมื่อกี้อาจารย์สุรินพูดก็ถูกว่านํามานะี่ยบางทีบอกโอ้ยเบื่อที่สุดในนําทําวัดเนะี่ย ยิงวันไหนเปิดไม่ไม่ดังเนี่ยไม่สาใจมันดูดเสียงนะีโยมมันอันตรายคนถือไม้คลื่นไฟฟ้านะพวกเนี้ยมันดูดเนี่ป่อยเอาเสียงไปไปกระจายนะมันเอาเราเส้นเสียงเยงนะีแย่เลยเมนุกเลยแต่เราก็ถือเป็นประสบการณ์ร่วมกันประสงค์เป็นพี่เป็นีเป็นน้องอะไรก็ว่ากันไป ปะสงจะหน้านมชีชนาแก่สงอายุะถือว่าเป็นน้องโดยศีลเราก็เอามาหน้าตรงนั้นมาใช้กันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความผาสุกเป็นความดีความงามกันไปนจูงกันไปฝั่งพระนิพพานสวนมนดมรดไนนิพพานการสวดมรดิไปถึงนิพพานได้นะโยม การสนทนาธรรมไปถึงนิพพานได้การฟังเทศฟังธรรมในวันการไปถึงปานิพานได้มันไม่ใช่เป็นอนันตภาพานะคนละทางกันนิพพานไปไวาเย็ น, นใจเย็นเป็นปกตินิพพา น, น, นการทรําิสุทธิ์มนนี่บางที่ก็ไม่ทํากันว่าเขาถือว่าสมัยการมีไม่มีมาลุไม่ได้สวด หลายที่พอถึงเวลารวมตัวกันจะจับไมเทสเลยก็ถือว่าไม่มีบทมติจัดไว้เพื่อกำหนดไว้ทีหลังว่าอย่างนั้นหลายคนก็ถกเถียงบอกมีการประเกกณ์เหมือนกันบางคนบอกไม่มีไม่ต้องประเกค์ก็ได้บางคนบอกว่ามีมากลายเป็นวิวาธาวิวาทะวิวาธาติกร เป็นเรื่องของอธิกรสงอันนี้ก็จะเข้าถึงโนโ่นระนาของฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารต่างๆกำหนดกฎเกณฑ์โดยมหาเถระสมาคมต่างๆฝ่ายปกครองแจง้งมาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นบางคนบอกว่าแหกค อ, อกเลยว่า<ไ>เข้าถึงตัวปฏิบัติเลยได้ไหม อย่างหลวงู่เทียนเนี่ยทราบว่าไม่ค่อยได้สวดมนต์เท่าไหร่ทราบว่างั้นนะแต่นี่ิงงไม่ไม่เคยทันท่านแต่เคยได้ยินมว่ า, วาท่านเน้นให้ปฏิบัติกันมากๆยิงเก็บอารมณ์เลยยิ่งดีว่างั้นนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรับปรับปรับเป็นความสมดุลร่วมกันความพอดีความเป็นกลางมากไปน้อยไปปรับมาเป็นกลางพอดีพอดี ก็เลยมองดู ว, ว่าเสียงทําวัดสวดมนต์เนี่ยต้องใช้ให้พอดีพอดีไม่ไม่เบาไปไม่ดังไปเมื่อก่อนเนี่ยมาสวดที่ไม่ต้องใช้ไม้นะทั้งสารานี่ได้ยินหมดอาจารย์นธเคยทักมาเทองว่าเกิดมาเพิ่งได้ยินคนเสียงดังนี่แหละไม่เคยได้ยินสวดเสียงดังจริงๆมันดังแล้วมันสบายใจมันโล่งหลุดไปเลยเคย แต่ตอนหลังก็อพยายามรักษาเพราะว่าเส้นเสียงเวลาระดันมากๆบิดมันกลายเป็นเสียงเพี้ยนไปเลยอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพูดเบาๆพูดเบาๆบางทีลมมันไม่ออกมีเสมหางออกมาอีกบางทีก็เสียลมมีการขากถุยขอภัปมันเสียงมันหมดไปเลยเสียงมันตันไปเลยที่บอกว่าคลื่นอิเล็กทรอนิก์มันดูดเสียง ตอหลังก็เลยระมัดระวังหลวงพ่อท่านก็ชี้ว่าเอาไม้ออกข่างหน่ไม้ออกห่างน่เวลาพูดเนี่ยให้พูดอย่างหลวพ่อนิยมพูดอย่างนี้นะจะได้ยินไม่ได้ยินก็เรื่องของเราแล้วแต่ามาเนี่ยจีอย่างนี้พูดทั้งทีก็ควรได้ยินว่าเ ง, งินใจเันว่านะก็เลยกวอ้คนรักท้ผืนหนังคนชัางถ้ผืนเสื้อทําอะไรก็ตามเราก็ต้องรับผล การแสดงออกก็จีก ร, รมทําอะไรมันก็เป็นความรู้สึกตัวกันละกันที่ตัวเราโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวรู้สึกมันไม่ใช่เคลื่อนมือ14จังบาทละมันเป็นลักษณะของลิ้นแล้วก็จิตของเราที่มันเคลื่อนไหวสังเกตเวลทาทำวนนัดวดมลนะแต่เราดูหนังสือเป็นปัจจุบันได้ไหมกระทบปุ๊บหนังสือเนี่ยเหมือนจะเป็นตําลาลาที่มันดําๆมาลาขึ้น เราพยายามที่จนะเอาสิ่งที่มันเป็นทั้งน้ําทั้งเนื้อน่ะแหละมาใส่เข้าไปตำลายก็จะมีสารละนะแต่บางคนก็บอกมีสารละไม่มีสารละอ่ะเลวลาทาบัตรสมวนบุแล้วก็อ่านลงไปกระทบลงไปสมองเราก็พอจะเรียบเรียงได้แต่เดี๋ยวนี้ออกมาเรียบเรียงไม่ค่อยได้นะสมองเรียบเรียงไม่ค่อยได้แต่ดูปั๊บเนี่ยมันดูแล้วบางทีมันมันอ่านไม่ได้เลยบางคําบางตัวที่เคยอ่านได้ การ น, นี้มันก็จะผิดลาการ น, นี้บางทีพูดๆไปลิ้นพันเงินผิดไปเฉยเลยสมองก็คิดอย่างปากก็จะไม่พูดแล้วไปเรื่องเลยอย่างนี้ก็เจอบ่อยๆกับตัวเองทีนี้เราก็เห็นว่าอ๋อนั่นคืออาการความคิดทิมเป็นความคิดมากมายอารมณ์ทิม ป, ปรากดซ้อนเข้ามาในความเป็นปกติขณะทำวัดสวดมนต์ไงนะมันซ้อนเข้ามาอ้าวนั่นของแปลกปลอมเราก็มาดูตัวเรา มาด้วยความรู้สึกแหะไอ้ความเป็นปกตินั่นแหละะความคิดที่มันจ่อๆมันก็ถูกรู้ถูกเห็นบางทีเราก็ไปกับมันสวดผิดไปเลยบางทีเราก็เออรับรู้รับทราบอย่างนี้ะพอได้พอได้อย่างเมื่อวันที่พูดถึงเสียงแม่เพียนนะี่ยวันไหนไม่รที่พูดมันมีเสียงแม่เพียนผล่มามันนิมิตมันเปลี่ยนไปเลยนิมิตมันเปลี่ยนไป แล้วสักพักหนึ่งมันก็กลับมาใหม่อ๋ อ, อเรื่องที่เราจะพูดมันอยู่ตรงนี้มันก็จะหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเป็นเรื่องอนิจจงระหว่างที่มันเกิดเหตุการณ์ซ้อนขึ้มานอกเหนือจากความรู้สึกที่เป็นปกติอาการใดๆก็ตามมันเป็นเพียงอารมณ์ที่มากระทบเราก็อ๋อดูจิตเราไว้ก่อนสังเกตความเป็นปกติไว้ก่อนมันก็สนุกดี มากมายหลายรถหลายแาตที่มันเกิดขึ้นยิ่งปฏิบัติธรรมในรูปแบบนนมันเกิดขึ้นมากเหลือเกินอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ความรู้สึกความเป็นปกติมันก็กลายเป็นเรื่องของครูที่มาสอนเรากลายเป็นเรื่องดีมากพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวถึงวันสวั น, ส า, วนสามวันก็ปกติไปปกติไปเต็มพื้นที่ขึ้นเต็มพื้นที่ขึ้นอย่างเงี้ย พอมันมีอารมณ์มากระทบปุ๊บอ๋อเหมือนกับเมชาทีนะ่มีบทสนทนาเกิดขึ้นมานะความว่างเป็นยังไงนะจริงจริงใ จ, งจามาก็ตอบนะเหมือนกันนะมันเป็นคําถามมันก็ตอบเหมือนกันว่าเออลักษณะของความรู้สึกตัวเนี่ยมันเต็มไอนะ้ที่มันว่างเนี่ยก็คือมันว่างจากนะความไม่รู้สึกตัวไอนะ้สติเนี่ยมันเต็ม แต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นตัวหลงอันนั้นนะคือมันมันว่างไปความคิดต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาที่เราไม่ได้เจตนาคิดอันนั้นมันว่างไปแต่ว่าไอ้เจตนาคิดเป็นตัวปัญญามันเต็มขึ้นมาเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เห็นเลยว่าคืออะไรทิศทางปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรก็ถามอยู่ อะไรนอะรู้สึกตัวอะไรนอะคือตัวสติสติก็บอกระลึกรู้อะไรนะที่มันระลึกรู้อะไรคือตัวรู้อะไรคือรู้ตัวมันก็ถามตัวเองอยู่นั่นแหละแต่พอทำไปทำไปสังเกตไปสังเกตไปทุกวันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็มีแค่สัมผัสกระทบมันก็รู้เออทำไมมีตัวกระทบด้วย มาเริ่มเห็นแล้วกระทบชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นไงเรื่องมีตัวปกติซ้อนๆ อ, อยู่ขนาดนั้นทุกครั้งที่กระทบมันก็เฉยๆจินก็เฉยๆเมื่อก่อนเราสังเกตไม่ได้ว่ามันจมเข้าไปเป็นสมะถะกรรมฐานปัญญาก็ไม่เกิดมาเลยนก็ไม่บอกทิศบอกทางเลย เ, ลยเหมือนกับรู้สึกตัวรู้สึกหมดไปวันๆแล้วอะไรก็นไปแล้วแล้วก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียตื่นขึ้นมาก็ ออีกแล้วเหรอ jer. ต้องทําเหมือนเมื่อวานอีกแล้วเหรอ jer. ต้องเข้ากรรมฐานอีกแล้วเหรอ jer. รูปแบบแล้วเหรอเดินจงกรมนั่งสร้างใจไหวอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเหมือนเวลาเราไปเรียนหนังสือแล้วกลับบ้านพอเห็นลังคาบ้านอีกแล้วเหรอจะเข้าบ้านนะนพอไปโรงเรียนอีกแล้วเหรอวิชาเดิมอีกแล้วเหรอเบื่อพอไปเจอวิชาไหนที่เป็นเรื่องของพรล า, เ ร, รราเรื่องของศิลปะเรื่องขดนตรีโอมีความสุข เลยพอวิชาว่าเขียนะว่ไปเห็นหน้าครัวเห็นสีเห็นผู้กันมีความสุขพอเห็นหน้าครัวที่เคยตีหลังเราแรงๆกันิสสาดอย่างนี้สอนไม่จําผัวก็ใครเห็นหน้าครัวเน่ยเบื่อเลยครูคนนี้จําชื่อจําแซ่ได้กันตั้งเดียวเนี่ยติดอกติดใจติดตานี่ยมันก็เป็นแบบนั้นกรรมฐานพอมันเริ่มทําทุกวันใส่ใจทุกวันถึง จะดูยากๆมันละเอียดประณีตแต่ท้ายสุดมันก็ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้เ่อเรามารู้เนรู้ตัวหลายๆวันก็อาการต่างๆก็เหมือนเดิมทุกวันเคยง่วงยังไงก็ง่วงอย่างนัง้นแต่มันก็มีตัวเวลามันไม่ง่วงอยู่ด้วยเคยเบื่อยังไงเคยเหมื่อยยังไงเคยปวดยังไงก็เหมือนเดิมคิดฟุ้งยังไงก็เหมือนเดิมเจอหน้าคนรักคนช่างในวัดมันอยู่กันนานๆรู้ใส่รู้ปุ้ง อาป่าก็เห็นลิ้นไก่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อีกแล้วเหรอเนียมันก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เริ่มใครๆก็หลุดออกมาจากวงจรที่มันเป็นวงจรที่พาเราสู่ความเสื่อมความทุกข์ต่างๆมันเริ่มเห็นทิศเห็นทางอ่ะนะมันเริ่มเลือกจิตปกติจิตปกติจิตปกติเอมันมีอยู่ด้วย แคนี้พอมันรู้สึกตัวมากขึ้นนั่งเดินยืนนอนก็ย้ายผลขึ้นมามันก็เริ่มเห็นละเมื่อก่อนมันทะเลาะไม่ก็ทางความคิดนมันทะเลาะกับตัวเองเลยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยทะเลาะกับตัวเองมันอะไรกันเนาะอะไรกันเนาะสิ่งต่างๆมากมายที่เราหันมาดูตัวเราแล้วมันก็ทาไมมันเยอะขนาดนี้ความทุกข์ความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงมันเยอะแยะไปหมดเลย แต่เราก็พยายามที่จะเหมือนกับว่ามารู้สึกตัวจริงๆแต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้มันก็เลยเข้านะสูตรของหลวงปู่เทียนพอดีว่าอย่าห้ามความคิดนะหรือว่าอารมณ์ต่างๆนะให้มันเกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดขึ้นมาได้นะเออนั่นแหละนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ภาวะผู้ดูนะมันก็ได้เ ห, เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นอนยะ่างนี้ภาวะผู้ดู มันจะดูโดยที่ว่าตัวดูววว100นะรุนรนร้อยซนตหรือว่าตัวดูมันอิงกรรมฐานอยู่ที่ฐานกายนะขณะที่จิตคิดเกิดขึ้นมาเนี้ยมันก็รู้สึกที่ฐานกายนะมันก็ห้าสนะิบเนี้ยอีกห้าสิบเอร์เซนต์ก็คือมามีครามฐานอยู่ฐานกายไม่หลงนะอีก 50% ครับบางทีก็โดนความคิดมันดูดดุดนะแล้วก็ติดกับหรือว่าโดนหลุมพรางกับดักของความคิดนะ างทีเราก็ถลํำตกลงไปเหมือนแต่ก็ยังมือก็ขอบบออยู่ไม่ตกลงไปในหลุมท้านรอยเยังเกาะที่ขอบดินได้อยู่เนี้ยพอทิจ้าปีนๆขึ้นมาก็คือมีสติรู้สึกที่ฐานกายอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อความรู้สึกมันช่วยได้ช่วยได้มันก็สนุกเหมือนกัน แต่ถ้าทำไปนิ่งๆจืดๆชืๆไม่มีอารมณ์เลยบางทีมันก็เบื่อๆเลยทำก็ไม่ได้อะไรถอยมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับลงสู่ความเสื่อมเลยเงี้ยถ้าหยุดปับ๊บมันก็ไปเลยนะเหมือนกับจลนิสัยเก่าๆมันก็พร้อมนะที่จะเรียกว่าทวีคูณนะชดเชยนะเราไม่ได้อาหารก็มานานอย่างเงี้ย พยายามหนึ่งวันสองวันสามวันก็กดข่มไม่ทำมีการตีมิตรบะไม่คิดไม่พูดไม่ทำไม่ได้ให้อาหารมันหลายวันเนมันก็รอชดเชยพอช่วงเผลออะไรมันตีกลับทันทีเพราะฉะนั้นเราก็จึงเห็นว่าเออเวลาปฏิบัติมันมีนมเหมือนกันนะทันทีราคาปฏิฆาแสดงตัวมากประกล่าวความหลบความกดความหลงความรักความชังมันแสดงตัวมากประก่าศ อย่างนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันเหมือนกับคนติดเหล้าแล้วก็เลิกเหล้าวันหนึ่งก็เดินผ่านร้านเหล้ามันก็อูอ้อ๋อนไม่ไหวเอาซะจากกังจากกลก็เป็นกงจากกงอาจจะเป็นกลมเลยก็ได้นะมันมันตีกับเราก็จึงไม่ประมาทกันตลอดเวลา พยายามจะนั่งกรู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินเคลื่อนไหวก็ท้รู้สึกสัมผัสกระพริบตาหายใจนะมันช่วยได้ฐานกายถ้านะมีความคิดมีการปรุงแต่งอารมณ์มันก็ไม่รุนแรงมันะจะปรับมานะสภาวะของสมดุลนะความเป็นกลางกลมเกินนะก็ช่วยกันนะเป็นเพื่อนเป็นกลรมิตรกันนะใช้ที่ประชุมชนนะใช้ที่ชุมนุมให้เกิด บุญกุศลให้ได้ให้เป็นความฉลาดฉลาดที่จะมาตรวจสอบกานะรทําวัดสวดมนต์ถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะเป็นการคลายอารมณ์ที่เราทำกัาฐานกันมาทั้งวันทํางานทําการพอได้สวดมนต์เยโอ้มีแรงนะแต่บางทีสวดมนต์ก็ไม่มีแรงก็มีเหมือนกันนะคนใกล้ตายหลายคนให้สวดมนต์เนี่ยไม่เอาเลยหงุดหงิดแต่ก็มีอีกหลายคนนะอีกจํานวนหนึ่ง ก็นอนยิ้มตายไปก็มีสวดมนต์เบาเบฟังเบาๆบาอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์กลางๆลางสวดกันคนไข้ก็นอนยิ้มเป็นบุญด้วยก็ใช้กันหลายๆโอกาสหลายๆประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์ตนก็ได้รับประโยชน์ท่านก็ได้รับเกิดคุณเกิดค่ากการมาอยู่วัดอยู่วาร่วมกันเหมือนเมื่อเช้าที่หลวงพ่ออมเขียนท่านเทศ ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบแล้วตอนนีนะ้ที่เดินจงกรมที่นั่งสร้างจังหวะนะปลูกต้นไม้จนเต็มพื้นที่ศนะาลาขยายจนกระทั่งฝนตกแล้วมีที่อยู่กันได้ทั่วทัวศาลานะพื้นที่ก็เป็นไรเลยสองชั้นเนี่ยก็อยู่กันไดนะ้มันก็พร้อมอาหารการกบชั้นต่งตงางๆยายมมาทำบุญทำทานกันก็ไม่ขาดไม่แคน เสนาชืนะต่างๆเราก็ใช้เหมือนกับว่าเป็นพัฒนาการนะเป็นสบายะความสบายนะมีครูบาอาจารย์มีวิธีปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติต่างๆนะใช้เป็นเรื่องของการเดินทางร่วมกันนะด่วนสักหน่อยนะความรู้สึกตัวรู้เนือ้อรู้ตัวนะทุกๆขณะโดยว่าจิตคิดเนี่ยต้องทันหลวงพระเทียนท่านก็ท้าทายไว้ดี การเห็นความคิด hmm. รู like you. You an animal, ้ทันความคิดรู้รูปรู้น้ะท้าทายไว้ดีมากกว่าจะถึงจุดเชื่อขาดเนี่ยจะต้องรู้รูปรู้นามก่อนการที่เรารู้รูปทำนามทำรู้สติอันนี้ก็ยังไม่ได้หลักกรรมฐานอะไรนะหลักกรรมฐานนี่ยังไม่ได้อารมณ์รูปนามเบื้องต้นเนี่ยเป็นแค่กระแสเฉยๆเพิ่งเริ่มต้นเข้ากระแสการเดินทาง พอเราเห็นความคิดเนี่ยนะตรงนั้นกนะ็คือรู้สมมตริรู้ปมรมาณอารมณ์จะเกิดขึ้นมาทันทีนะตอนที่อารมณ์ไม่ปัโนจะเหมือนสำร้อถูกหวยนะมันเป็นยังไงสำร้อถูกหวยหรือว่าเศรษฐีใหม่มันเป็นยังไงอารมณ์เศรษฐีใหม่ก็คือมีแถลงก็ใช้ใหมดนะมีเงินมันก็เรียกว่าไม่บัญยับบรญญงังมีอารมณ์ก็ไม่บัญญบับบรรยังนะใช้ใหมดแล้วก็หาใหม่ ตรงนั้นนะ่ะจะมีเหยื่อมากมายตกเป็นเหยื่ออาลงไปปัศโนคือเก้ากระแสนั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกทีฐานกายยังไม่ชัดนะนี้พอความรู้สึกที่ฐานกายก็ชัดแล้วสติก็เด็นแล้วก็รู้ทานความคิดเห็นความคิดตรงนี้มันจะรู้ได้3ตัวตัวหนึ่งคือตัวสติเด่นความเป็นปกติก็ชัดนะอีกอันคือการเคลื่อนไหวของกายอันนี้มีสติดูกายก็ชัดชัดมากๆด้วยความคือของหยาบที่สุด เวลาร่างกายของเรามันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ปกติโอ้มันชัดเลยมันตีค่าทันทีมาตรฐานไม่มาตรฐานมันแยกแยะได้เลยทันทีจิตกระบอนกันเวลาเคลื่อนไหวไปสู่การปรุงการแต่งมันเข้าไปในความคิดก่อนแล้วก็ไปสู่กระบวนการปรุงแต่ง1 2 3 4งสามส้าจนทั้งมันมันบังคับแล้วการเนี่ยมันไม่ไหวแล้วจากจิตพลังของจิตกระส่งมาทางวาจาพลังของจิตกระส่งมาทางกาย ตรงตรงนี้ก็คือมันจะเสียศูนย์ไปแล้วนะความเป็นปกติไม่ชัดแล้วเนพะราะนั้นการได้หลักก็คือมันจะเห็นสามตัวสติเห็นกายชัดมากสติเห็นจิตเวลาคิดชัดมากแล้วก็จะรู้ตาแหน่งสติความเป็นปกติผนะ่อนคลายตรงนี้ชัดมากความเป็นกลางเรียกความว่างนะว่างจากความคิดนะตัวน้นะมันเต็มด้วยความรู้สึกตัวนะมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวมันชัดมันเต็ม มันเป็นปกติมันเต็มพื้นที่ของจิตมันจึงเป็นธรรมชาติตัวที่เป็นธรรมะเป็นเครื่องที่ทำให้เราเดินทางได้ดียคือตัวความรู้สึกตัวตัวสติตัวศีลตัวสมาธิตัวสัญญะตัวปัญญาตัวนี้แหละมันรวมลงอยู่ในจิตปกติทั้งหมดเลยเป็นความคล่องตัวเป็นความว่องไวเป็นความไว้วางใจบาลานี่แหละจะคือคนหนึ่งที่ไม่ทาให้คนอื่นทุกข์ มันก็ไม่มีใครมีภัยว่าเราต่อไปทางกายวาจาใจนะมีอะไรก็โอโหจิตกรรมกันนะก็ถือว่าเราจะก็อยู่ยร่วมกันอย่างสันติสุขสันติภาพนะเป็นมิตรแท้เพื่อนตายต่อกันเป็นกระดิมิตรนะจูงไปสู่นมรรคผลนิพพานนะมาฝั่งที่ไม่มีน้ําจากฝั่งที่มีน้ำเพราะเรารู้แล้วว่าหลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้โกหนะกหลวงพ่อเขียนนียิงชัดเจนนะยังมีชีวิตอยู่ องสมเด็จสามเณรเจ้านี่ถึงจะดับกรรนันพุทธิพันธ์ไปแล้ว 2,600 ปีแต่แน่นอนที่สุดในคําสอนของท่านเนี่ยมันใช่เลยความผิวาศาสนานี่ใช่เลยมันเป็นสิ่งที่ละน้องเข้ามาใส่ตอนแล้วก็ออพระธรรมมันอยู่ในตัวเราเพราะนั้นพระธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกพระธรรมมันอยู่ในตัวของคนทุกคนที่ทําใจที่ทําใจนะ ทำยังไงทําใจคือทําใจให้เหมือนกับว่ามีคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาแต่ว่าก่อนอื่นต้องมีตัวพ่อของมันเกิดมาก่อนกิเลสตัวพ่อคือความหลงนนะั่นแหละคือกิเลสตัวพ่อนะมันพาไปสู่ทุกขนะ์แต่ว่าที่เป็นกุศลเป็นความฉลาดตัวพ่อคือตัวสติตัวสติ เราลึรู้ความรู้สึกตัวเนตัวนะี้อันนี้ก็คือต้นทางของพระนิพพานเห็นจริงๆว่าความรู้สึกตัวเนะี่ยมันเป็นต้นทางของพระนิพพานเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวตรงนี้ก็จะพาไปสู่ความเป็นอันตพาน์มันไม่ใช่นิพพานแต่จะเป็นอันตพัน์น่าจะเป็นภาละตลอดไปคงกรำคงเกวียนเนตรงนีนะ้เราก็จึงไม่ต้องนะทะเลาะกันเพราะว่า ทุกคนมีคนรักนะทุกคนมีคนทีนะ่เรียกว่าคนที่เขาตายแทนได้นะมันมีอยู่เชินพอ่อเชินแมนะ่คนที่ร้ายขนาดไหนก็ตามนะเอามาเหะนะ็นแล้วแล้วหนะก็คนที่นะเยี่ยมโหดขนาดไหนก็ตามนะท้ายสุดนะนะลึกๆนะอยากเป็นคนดีไปจนข้ามเลยนะอยากเป็นคนที่นะ มีสันติสุขสันติภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะของสังคมเป็นลักษณะของการทําผิดทําภาพเป็นเพียงแก้เสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่บางทีนะก็รู้เท่าไปถึงการนะเราก็จึงเดีละให้อภัยกันอีกนะไม่กี่วันจะเข้าวันตาแล้วนะอาจารย์ไปสายไมสาโเรคงจะกลับมาอยู่ที่นี้นะก็ไม่แน่ใจหลวงพ่อเขียนว่าเช้าเปลยไปอ ย, อยู่ภูหลวงผมและตามาก็บอกว่าท้งพ่อไปอยู่ผมก็จะไปด้วย เาพูดยผู้หลงน่น่าสนใจจากไปมานานแล้วขอยากไปอยู่ผู้หลงว่ามันคงจะได้อารมณ์14บี่ปีภาษาที่14น่าอยู่ผู้หลงแล้วก็ที่นี่ก็สมบูรณ์แบบเป็นสถานที่ที่พร้อมแล้วที่เราทุกคนมาจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดกันเพราะคำสอนของที่นี่คือให้รู้สึกตัว เพราะนั้นหลังจากเราคำนัาขาคงต้องบ่มกันแล้วสามเดือนเต็มเต็มต่างหกตั้งใจกันที่จะปฏิบัติ ร, รมให้มันเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดกันของการอุทิศชีวิตนะมาอยู่วัดอยู่ว า, าละช่วยทมดีชำระจิตกันแต่ว่าการเดินทางของใครเราก็เรียกว่าไปด้วยกันนะนะใครไปก่อนก็ค่อยๆกันม้างใครเหนื่อยๆก็บอกกันจะได้ช่วยๆกันไปก็จะได้เป็นเรื่องของ ศา ส, สนาที่มันเป็นศาสนาธรรมแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงๆบรรยากาศที่นี่ก็คือวัดป่าสุโกโตเป็นเรื่องของครอบครัวสาธิตที่มีพี่มีน้องต่างๆต่างวุฒิภาวะต่างคุณวุฒิวัยวุฒิต่า ง, ตางๆต่างชาติสกุลเราก็จึงมารวมกันเพื่อที่จะเป็นเรื่องของ สักยบุตรก็ได้หรือพุทธบุตรก็ไดนะ้ให้มีคิดขนาดนั้นนะพ่อแม่คนเดียวกันพระเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่แล้วก็พระสงฆ์เป็นพี่แล้วพระสงเป็สกาเป็นน้องชวนกันไปอย่างนี้ศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองท้ายสุดก็คือมีแต่ความผาสุขสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันอาราย น, นี้เห็นว่าสมควรในเวลากราบพระพร้อมกัน